เป็นไงบ้าง เ, เหตุเลตบ้างยั ง, ง, งโอเ้เก่งคนในโลกนะมันหลงทั้งวันทุกคนแหละแต่มันไม่เคยเห็นดูออกแล้วใช่ไหมหลงทั้งวัน<ะ>เออเก่งนะ <c oughs> อย่าหลงนานนะเออมันต้องอย่างนั้ น, อนนะเออมันต้องอย่างนั้ น, อ, นอื มันต้องอย่างนี้สิค่อยสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหน่อยาไม่ห้ามมันนะห้ามไม่ได้ดูออกไหมมันจะไปห้ามไม่ได้หม ไ, มไดหลแวบแวบห้ามไม่ได้หรอกหนะ้าที่เราก็คือพอไหลไปแล้วเรารู้ไวๆพอเรารู้ไวๆใจมันก็หนีไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองไม่ได้รู้สึกไหมทุกข์มันจะน้อยลงความทุกข์มันเกิดตอนเผลอนะตอนที่ใจไหลไปไหลแว บ, บไป เด็กก็ไปคิดแล้วก็หาเรื่องทุกข์ขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวลงปัจจุบันไปได้ไม่ค่อยทุกข์อะไ ร, รดีละเก่ง <c oughs> มาเรียนทีเดียวนั่นเนี่ยเอออยู่แถวเนี้ยมาเรียนครั้งหนึ่งแล้วเห็นว่าเผลอทั้งวันนี่ไม่ธรรมดานะ <c oughs> พวกมือเก่าๆ เ, เรียนกันนานกว่าจะเห็นว่าเผลอทั้งวันไม่ใช่ง่ายๆ เ ร, เราเราเผลอมาตลอดชีวิตเราไม่เคยรู้ว่าไม่เผลอเป็นไงขยันดูนะใจจะค่อยๆฝ่ อ, องใสเดีย๋ยวก็มีความสุขดูไปเอเบอร์ห้าเป็นไงอาจารย์ตุกดีแล้วดูพอจิตมันจำสภาวะได้นะพอสภาวะนั้นเกิดสติเกิดเกิดเองดีแล้ว ก่อนมันจะกกรดแรงแรงมันก็กรดเบาเบาก่อนเหมือนก่อนไฟจะไหม้ใหญ่นะต้องมีจุดไม่ฉีดเล็กเลก่อนนี่ถ้าเรารู้ไม่ทันนะไฟมันนี้ก็ใหญ่โท่สะแรงสติเราไวพอไหวบับก็ดับน่ะดีดีดละไม่ได้เรียนอะไรนะเรียนแค่นั้นน่ะพอละที่เหลือจิตมันพัฒนาของมันเองนี่ส่วนใหญ่ เป็นกรรมฐานเอาแต่สมถะสมถะก็ไม่เร็วหรอกแต่ว่ามันดีแค่สมถะมันไม่เกิดปัญญาคนเราถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมถะอา้าวเบอร์ยี่สิบห้าเป็นไงบ้างการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงระดับเดิมครับคือบางช่วงก็ยัง ในสองสามวันก่อนก็รู้พุทโพดีแต่เมื่อวานปรากฏว่ามีอาการเพ่งเกิดขึ้นมามากคือก่อนหน้านี้มันเกิดความคิดคำหนึ่งถึงสิ่งที่นักขยะขยแขงเลยพยายามจะกําจัดสิ่งที่นักขยะขยงที่คล้ายๆมันเป็นรู้นิใจทีนี้จิตมันรู้สึกมันแข็งแข็งครับแล้วตอนเช้านี้จิตมันก็ยังแข็งแข็งอยู่เรารู้สึกว่าถ้าจิตจะเกิดตอนนี้มันยังรู้ไม่ได้เลยครับมันต้องคล้ายๆมันต้องพยายามฝืนฝืนฝืนนะครับ การปฏิบัติเพิ่มเติมช่วงนี้ก็ได้รับข้อแนะนำจากท่านอาจารย์มิตรให้ลองเวลาเดินตามถนนว่างๆก็ลองกำหนดพุทธโธไปแล้วท่านก็บอกว่าเรื่องพิจารณากายก็ขอเอาพุทธโธให้มั่งคนก่อนแล้วก็ค่อยไว้พิจารณาครับอ่าเบอร์สามสิบสองเป็นไงดีฝาอาทิตย์แล้วหน่อยครับคือรู้สึกอาทิตย์นี้คือรู้โดยไม่ค่อยไปแทรกแซงขึ้นนะคะ ข่าวที่แล้วหนูรู้ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นหนูเห็นโกรธหนูก็เลยเอ๊ะทำไมเราต้องโกรธอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ใจก็ยังยังอย่างเช่นหลวงพ่อชมคุณนั้นนะคะหนูก็เห็นหนูอิจฉาอยู่ในใจค่ะโอ้ดีดีหนูอิจฉาค่ะมันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์หลวงพ่อมันต้องอิจฉาแล้วรู้ว่าอิจฉาเนี่ยหลวงพ่อชอบมากเลยลูกศิษย์มีกิเลสเยอะเยอะกิเลสไห ว, ววับสติเรารู้ทันปัญญามันตัดนะ มันจะขาดปั๊บไปเลยสติมีหน้าที่ไปจับไว้ปั๊บจับมาดูปัญญาก็ตัดขาดตัวนั้นเลยดีละอาเบอร์สามสิบเป็นไงเคยมาไหมวันนี้เคยฝึกกรรมาฐานแบบไหนเคยค่ะแล้วก็เพิ่งมาครั้งแรกค่ะก็จากหนังสือของท่านนะคะแล้วก็ฟังซีดีนะคะก็รู้สึกน่าน่าจะเป็นทางที่ และสั้นจริงๆแล้วก็น่าจะมีความสุขได้ได้ไหวขึ้นนะคะต้องกราบขอขอบคุณท่านด้วยนะคะเราฝึกพอสติเกิดนะจิตจะมีความสุข <Okay. S 2> มันมีความสุขเองนะเพราะันก็ความสุขมันโฉยขึ้นมาแผ่วๆฝึกแล้วมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าเราฝึกจนสติมันเกิดทันทีที่สติเกิดจิตเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุข ในหลายคนฝึกกรรมฐานจนเครียดจิตเครียดเครียดมันเป็นโทสะโมูลจิตเป็นอกุศลจิตงั้นถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานแล้วเราเครียดเครียดนะแสดงว่าทําผิดแน่นอนส่วนใหญ่ก็คือไปบังคับตัวเองมาบังคับแล้วมันเลยเครียดงั้นถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เครียดหรอกใจจะปโปร่งรุ่งเบาค่อยฝึกอีกนะยังไม่พอนะสติตัวจริงยังไม่เกิดหรอก ทนทนไปคอยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเกิดเองเวลาที่สติเกิดเองเราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้เจตนาจะรู้นะมันรู้เองเ<ม>ช่นพอกิเลสมันไหลแวบมาไม่ได้เจตนาจะรู้เลยไม่ได้จ้องไว้ก่อนด้วยสติเกิดเองรู้เลยกิเลสเกิดละกิเลสจะดับลงตรงนั้นทันทีเลยทันทีที่สติเกิดกิเลสจะต้องดับทันทีถ้าสติเกิดแล้วกิเลสยังไม่ดับก็แสดงว่าเป็นสติตัวปลอม หน้าตาจะคล้ายๆสติส่วนใหญ่จะเจือด้วยกิเลสอย่างเนี้ยใจลอยไปแว บ, บหนึ่งทราบไหมยังติดการบังคับตัวเองอยู่นะเบอร์สามสิบอะบังคับตัวเองให้มันนิ่งนะให้รู้ทันว่าเราอย่างบังคับอยู่รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันค่อยหายหรอก จ, จะคุยอะไรกับหลวงพ่อไหมก็มีเรื่องแบบเวลาทำงานนะคะ เวลาทํางานเลิกจากงานแล้วในหัวยังติดเรื่องงานอยู่พยายามบังคับไม่ติสสงงนไ ม, ไ, มไม่ค่อยได้ยินค่ะคือเวลาทํางานนะคะก็จะคิดเรื่องงานแต่พอแล้วเลิกงานแล้วก็ยังคิดอยู่บังคับตัวเองว่าอย่าไปคิดเรื่องงานงานคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีหลุดอย่ไปคิดบังคับตัวเองเลยไม่มีใครบังคับได้จิตนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อ หน้าที่เราเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสภาวะให้เข้าใจความเป็นจริงของเขาของกายของใจเราเนี่ยไม่ใช่ฝึกบังคับนะอย่างใจจะคิดห้ามมันไม่ได้ใจจะสุขก็สั่งให้สุขไม่ได้ใจจะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้นะใจจะเผลอไปก็ห้ามไม่ได้ใจจะรู้สึกตัวก็สั่งไม่ได้มีแต่คำว่าไม่ได้ เ, เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะไม่ได้เรียนบังคับหรอกบังคับไงก็ไม่ได้ดอก มันผิดธรรมดาดูไปเรื่อยๆนะใจแอบไปคิดก็รู้ใจแอบไปคิดก็รู้ฝึกไปอย่างเนี้ยรู้อย่างว่าใจแอบไปคิดทั้งวันพอไหลไปคิดแวบเราก็รู้แวบเราก็รู้ฝึกไปอย่างนี้แหละนะดีแล้วใจมันจะตื่นอยู่แล้วล่ะอีนี้นิดหน่อยหน่อยก็ตื่นละเพราะไม่ได้ติดเพ่งพวกติดเพ่งไม่ตื่นเนี่ยใจหนีไปคิดแวบหนึ่งทราบไหม นั่นแหละหัดรู้ไปอย่างนั้นนะดีละอ๋ะอวิลาสินีก็มีมีโทรศัพท์ค่ะเป็นปฏิกาอยู่เรื่อยๆเวลาทํางานนะคะรู้สึกไม่ค่อยพอใจในงานนี้อืมแล้วก็ก็เห็นว่าไม่ค่อยต่อเนื่องอนะคะไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยต่อเนื่องในการปฏิบัตินะคะ ม, มันบางทีมันจะเรา่า<ม>ทิ้งรูปแบบมันนะทุกวันไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิแดนจงกลมไม่ไม่ทิ้งอ่ะนะ ถ้าเราไม่ทิ้งแล้วมันจะสติจะาวขึ้นไวขึ้ น, นแต่ถ้าเราทอดทิ้งรูปแบบของการปฏิบัติไปเลยสติไม่ค่อยเกิดเหลือยาวมีรูปแบบเป็นเครื่องอาศัยมันก่อนนะันมีเรื่องตลกตลกเนี่ยหลวงพ่อก็สอนอย่างนี้นะว่าเอาทุกคนอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทําทุกวันนะหแล้วส่วนนอกเวลานอกเหนือจากนั้นจเจริญสติยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัว จิตใจเป็นสุขเป็นทุกต้องรู้สึกตัวมีผู้ชายคนหนึ่งนะพระพามามาถึงก็พอหมดเวลาหลวงพ่อไปคุยกับพระนั้นเข้าไปนั่งประกอบหลวงพ่อเลยหนุ่มเนี้ยทําไมท่านไปสอนให้คนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมสอนอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกยังไงอ่ะไปไหว้มันทําไมมันทองเหลืองบอเออไม่พูดด้วยแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะ โมโหใหญ่เลยตอนนี้เลยโมโหทั้งฟ้าทั้งโยมหลวงพ่อไม่พูดด้วยคนร้ายมันจะมิจฉาทิฏฐิขนาดนั้นนะมันต้องฝึกนะไม่ใช่อยู่ๆกูก็จะว่างไปเฉยๆนะมันต้องมาฝึกนะทำความสงบใจเข้ามาแต่จิตใจเราตั้งมั่นแล้วนะคอยรู้กายคอยรู้ใจมันต้องฝึกไป ถ้าฝึกจนชำนีิชำนาญแบบนี้ยเราสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันแต่ถึงเราเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ก็ไม่ใช่แปลว่าไม่ทําในรูปแบบนะนักมวยถึงจะเป็นแชมป์โลกมันยังชกกระสอบอยู่นะมันต้องซ้อมไม่ใช่อยู่ๆก็กูเป็นแชมป์แล้วกูไม่ต้องทําอะไระแป๊บเดียวก็โดนน็อกล้วฉะนั้นเราต้องอาศัยรูปแบบของการปฏิบัติเป็นเครื่องช่วยนะ จิตมีกําลังมากกว่าเมื่อกี้อ้อดูออกหรือยังมันมันจะดีขึ้นทุกทีเวลามาวาดัดอะค่ะอ๋อมันปเป็นโรคปกติอะพอห่างครูบาอาจารย์นะมันค่อยๆเหี่ยวไปถึงดีนั้นก็ดีไม่เกินเจ็ดวันนะพอวัดครั้งหนึ่งดีไม่เกินเจ็ดวันหรอกถามทาไมมันดีได้แค่นั้นเพราะของมันไม่เที่ยงนี่ กายกระใจของเราเนี่ยสอนธรรมะเราตลอดเวลาว่าไม่เที่ยงนะแต่อยากให้เที่ยงรู้สึกไหมอยากให้ดีทุกวันเหมือนกันหมดเลยอยากให้มีความสุขรู้สึกไหมอยากบังคับมันให้ได้ตามใจชอบนั่นไม่ใช่ธรรมะแล้วธรรมะมันสอนเราตลอดเวลาเลยจิตนี้ไม่เที่ยงใครก็ทําให้เที่ยงไม่ได้จิตเป็นทุกข์ใครก็ทําให้เป็นสุขไม่ได้จิตเป็นอนัตตาใครก็สั่งมันไม่ได้มันแสดงให้ดู แสดงให้ดูเราดูไปปฏิเสธความจริงไปอยากให้เที่ยงอยากให้สุขอยากบังคับให้ได้อ้อดูตรงนี้ออกไหมงั้นที่ปฏิบัตินะั้นเหนื่อยแทบตายเลยก็เพราะเรื่องนี้แหละเพราะไปฝืนสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ไปฝืนธรรมดานั่นเองไปฝืนธรรมะคือฝืนธรรมดานั่นเองธรรมดาก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตานี่ธรรมดาธรรมะก็คือธรรมดานี่เอง แต่นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะอยากให้มันดีถาวรอยากให้มันสุขถาวรถาวรขัดกับอนิจจังละสุขก็ขัดกับทุกข์ละอยากทํามันให้ได้ควบคุมมันให้ได้ขัดกับคําว่าอนัตตาละไม่มีใครปฏิเสธธรรมะนะเราปฏิเสธเองหลายคนถึงบ่นบอกว่าปฏิบัติมาหลายปีแล้วล้มลุกลุกครานก็สมควรล้มลุกลุกครานเพราะปฏิเสธธรรมะธรรมะเลยเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราอ่อนน้อมกับธรรมะสิ เรียนรู้ไปกุศลเกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงอะกุศลเกิดก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้นะมันอยากให้เที่ยงขึ้นมารู้ทันมันนมันอยากให้สุขรู้ทันมันมันอยากบังคับรู้ทันมันหัดรู้ทันลงไปในที่สุดใจจะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะนะความสุขเกิดขึ้นไม่หลงละเริงไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นไม่หลงยินร้ายใจเป็นกลางกุศลเกิดขึ้นก็ไม่หลงเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินกุศลก็ไม่ได้เรื่องนะ อย่างพวกเมาบุญเนะช่นทำบุญแล้วปลื้มปื้มนะปลื้มมากลืมเนื้อลืมตัวแต่ปลื้มขายบ้านขายช่องไปทำบุญกลับบ้านสามีเตะอีกนะตอนนี้ไม่ปลื้มแล้วจิตที่เป็นกุศลพลิกเป็นอกุศลทำบุญแบบนี้ไม่ฉลาดบุญเป็นเรื่องของความฉลาดทำแล้วต้องมีความสุขก่อนทำต้องมีความสุขระหว่างทำต้องมีความสุขทาแล้วต้องมีความสุข งั้นถ้าเรากับกล้องกับแต่งนะก่อนทําก็ศรัท ธ, ธาแหมดีจิตเป็นกุศลระหว่างทําก็ปลืม้มนะยิ่งก็ามาถ่ายรูปออกโทรทัศน์ยิ่งปลื้มหนักนี่เสร็จแล้วกลับบ้านโอ้ตายแล้วไม่มีสตังนะจิตใจหดหูบุญชนิดนี้ไม่สมประกอบบุญที่เจอือด้วยอกุศลในการใด ก, การหนึ่งเนี่ยนะนะบุญที่ไม่สมประกอบนะถ้าตายไปจะได้ไปเกิดนะเป็นมนุษย์นะแต่มนุษย์นี้พิการ กันต้องระมัดระวังทําแต่พอมาะพอควรจะทําบุญทําอะไรต้องประกอบด้วยสติปัญญาเสมอคําว่าพุทธะนี่เป็นเรื่องของสติปัญญาทั้งสิ้นเลยนะศาสนาพุทธเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาใจลอยไปแล้วอ้อทราบไหมทราบแล้วรู้ไปนะถึงมันจะดีก็ไม่เกินเจ็ดวันสมัยก่อนหลวงพ่อ เป็นข้าราชการนะเป็นผู้น้อยด้วยโอูหเก็บเงินไว้ตั้งหลายเดือนเลยอาจารย์ก็อยู่ไกลอยู่อีสานเก็บสตังค์ค่ารถไว้หลายเดือนเก็บมันลานะไม่เคยลาไปไหนเลยลาไปวัดอย่างเดียวรอมากเลยถ้ามีลองวิกเอนแบบนี้นะจะต้องลาพูดเพื่อรหัสสุขเนี่ยลาแล้วก็รีบไปอยู่ตามวัดมีความสุขไปถึงวัดใหม่ๆจิต ใ, ใจฟุ้งซ่านอยู่สามวันเพอะไรไม่คุ้นกับความเงียบ เค อ, อยู่แต่ในเมืองจอแจจอแจนะไปอยู่วัดในป่าเงียบโอ้โหเสียงดังในป่ากลางคืนเสียงดังมากคุณหมอพีโยรถรู้สึกไหมในป่าเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นเลยมแมลงมันร้องไม่น่าเชื่อดังขนาดนั้นนกแปลกร้องบางตัวร้องแปลกนะร้องน่า น, น่าสยองมีอยู่ที่หนึ่งคนเขาลือว่าเปรต ด, ดุมากเลยหลวงพ่าก็กัดฟันกรอดกรอดนะไปดูมันกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัว มันล้อแทบจะหันหลังวิ่งเลยนะอีกตัวหนึ่ง ล, องล้อกรีดเลยโอ้โหเป็ดนานานชนิดมันบินได้เป็ดพวกนี้บางตัวก็ผีกว้างหลังคาจัดฟันไปดูมันมากว้างหลังคากุฏิเราใช้พวกกระลอกพวกอะไรเงี้ยหากกิ่งไม้โยนลงมาไปอยู่วัดใหม่ๆไม่คุ้นเคยจิตฟุ้งซ่าน พออยู่สามวันเริ่มคุ้นนะแหมสงบดีภาวนาดีนะดียังไงก็ไม่เกินเจ็ดวันจะต้องกลับฟุ้งซ่านอีกละอืวทําไมอ่ะก็ของไม่เที่ยงนี่จิตเขาอุตส่าห์าสอนธรรมะให้ดูว่าไม่เที่ยงก็อยากอยากให้เที่ยงอ่ะอยากจะดีถาวรสมมตว่ากำลังดีเลยกลับมาบ้านก็เสื่อมเสียดายอีกแล้วโอ้อยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์นะใจก็แห้งแรงอีกแล้วคิดถึงวัดคิดถึงครูบาอาจารย์อีกแล้วเหี่ยวแห้ง จะไปก็ไม่ได้วันลาก็ไม่มีละอะไรเงี้ยต้องรู้ทันนะห่างครูบาอาจารย์แล้วสิ่งที่จะช่วยเราได้มีอันเดียวคือเรียกว่าโยนิโสมนสิการสองสิ่งที่จะทำให้เราบรรลุอริยมรรคนะอันที่หนึ่งการยาณมิตรครูบาอาจารย์บอกทางให้เราพระเจ้าบอกครูบาอาจารย์หรือการยานามิตรเนะี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ ใครอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเป็นนะท่านถาเข้าลกเข้าพงก็เยอะนะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่ดีเราก็ตัวรอดมาถึงยุคนี้เราปฏิญาณไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์ของเราดีแล้วเพราะไม่มีใครรับรองไม่มีใครรับรองกระทั่งหลวงพ่อนะไม่มีใครมารับรองนะว่ามีภูมิธรรมอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่รับรองแล้วงั้นเราฟังครูบาอาจารย์พูดไม่ใช่จะเชื่อนะ หลวงพ่อในครูบาอาจารย์สอนเนี่ยท่านถามว่าเชื่อไหมยังไม่เชื่อครับจะขอไปลองทําดูก่อนนี่พูดขนาดนี้นะอืมแต่ว่าครูบาอาจารย์ใจดีถ้าท่านโหดร้ายท่านคงดีดออกมาจากกุฏินะแต่ท่านจะชอบมากเลยของเรายุคนี้เราเชื่อไม่ได้ว่าใครจะสอนของเราถูกใครจะพาเราเดินได้ถูกสิ่งที่จะช่วยเราได้มากมีอีกสิ่งหนึ่งคือโยนิโสมนสิการความแยบค่ายในการพิจรารณา เราต้องรู้จักแยกคายการพิจารณาเนี่ยไม่ใช่พิจารณาตามใจชอบนะต้องพิจารณาให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนเั้นต้องศึกษาหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีนะเช่นครูบาอาจารย์ของเราบอกว่าให้ทําจิตว่างๆไว้ให้ทําจิตว่างๆไว้เดี๋ยวเป็นพระรหันต์ทีมนี้เป็นพระรหันต์ทั้งทีมนะหันไปหันมาตอนนี้กิเลสทั่วมเมลใช่ไหม เ, ออเป็นพระรหันต์ครูบาอาจารย์ บ, า อ, าายบอกให้ทําว่างให้อยู่กับสุญญาตา ถ้าเรามีโยนิโสมนัสิการเราจะต้องพิจารณาลนะ้วเอ๊ะทำไมอาจารย์บอกให้ว่างๆให้รู้ความว่างพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกให้รู้กายให้รู้ใจมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เห็นมีสุญญ า, านุปัสสนาสติปัฏฐานเลยนี่ต้องเฉลียวใจอย่างนี้นะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเรามีโยนิโสมนัสิการ ไม่ใช่อยู่ๆก็คิดธรรมะเอาเองนะตามใจชอบคิดธรรมะตามใจชอบแล้วมันฟุ้งซ่านแน่นอนเลยธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะคิดเอาได้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นจริงๆหรืออย่างจิตใจของเราเนี่ยเราปฏิบัติแล้วมันนิ่งสามวันเจ็ดวันมันก็นิ่งนะเดือนหนึ่งมันก็นิ่งอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกกิเลสไม่เคยแผ่วผ่านเข้ามาเลยถ้ามีโยนิสโณนั้นมาณสิการมันต้องพิจารณาล่ะอะไรมันจะนิ่งขนาดนั้นมันเที่ยงหรือมันเป็นของเที่ยงหรือทําไมมันนิ่งอย่างนั้น ทำไมมันสงบอยู่อย่างนั้นทำไมมันสุขอยู่อย่างนั้นต้องมีอะไรผิดพลาดแนละ้วทไมมันไม่แสดงไตร ล, ลักษณ์ทำทั้งหลายต้องแสดงไตร ล, ลักษณ์ได้นี่อย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนานสิการ์ต้องแยกถายในการคิดพิจารณาไม่ใช่นั้นเราเชื่อฟังแต่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บางคนหรืออย่างหลวงพ่ออาจจะเป็นหลวงพ่อตาบอดก็ได้พาพวกเราเข้าลกเข้าผงพวกเราก็โง่าตามไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องรู้จักมีโยนิโสมนานสิการ หมายถึงการพิจารณาอย่างแยบขายให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะหรือเรานั่งดูกิเลสของเราทุกวันทุกวันเมื่อไหร่มันจะหมดวะดูเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะหาทางทำให้หมดนะอย่างคุณมนพยายามดูเมื่อไหร่มันจะหมดนะดูทุกวันทุกวันต้องมาเฉลียวใจยใโยนิโสมานสิกะพระพุทธเจ้าสอนให้ไล่ตีกับกิเลสหรือกิเลสอยู่ในขันอะไรกิเลสอยู่ในสังขารขัน สังฆลัขันอยู่ในกองทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ไม่ใช่การละนะเนี่ยต้องฉลาดอย่างนี้นะถึงจะเอาตัวรอดได้สมัยก่อนหลวงพ่อก็เล่าแล้วนะหลวงพ่ออยู่ไกลครูบาอาจารย์สามเดือนสี่เดือนนะถึงจะได้ไปหาท่านครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็คือมาคะใช่ไหมวิสาขอาอสารหาเนี่ยปลายปลาย ป, ายปีนี่เก็บบรรลาไว้ละเดือนธันวาเก็บบรรลาไว้ได้สักสิบวันไปยื่นใบลาครั้งที่หนึ่งหัวหน้าไม่มอง ยิบใหม่ไปวางใหม่ครั้งที่สองมองหน่อยแล้วก็ค้อนนิดๆครั้งที่สามวางแล้วก็เดินออกมาเลยนะเออไปได้แล้วปิยามปีแล้วเนี่ยหลายๆเดือนนะสามสี่เดือนถึงเจอครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งต้องมีโยนิโสมานสิการจจำเป็นที่สุดอย่างโง่นะชาวพุทธอย่างโง่นะต้องมีสติมีปัญญาช่วยตัวเองให้มากมาก อะไรที่ตรงกั บ, กบคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ค่อยเชื่อแต่เชื่อไม่ใช่เชื่องมงายนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่อท่านนะท่านบอกให้เราทดลองดูนะเอหิป e ัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะเป็นธรรมะที่ชวนให้ลองไม่ใช่ชวนให้เชื่อวิธีลองๆยังไงโอปะนายโกน้อมเข้ามาเรียนตัวเองเรียนที่กายที่ใจนี้รู้อยู่ที่กายที่ใจนี้รู้เราจะรู้อะไร ปั จ, จะตังเวทิตาโพวินยูหิวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองถามว่ารู้อะไรรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจจิตจะเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตานั้นเลยนะจิตพอเข้าไปสัมผัสนิพพานขณะแรกเนี่ยธาตุขันมนุษย์นี่แทบจะทนไม่ไหวเลยนะอะไรมันจะมีความสุขมันจะมีสันติสุขขนาดนั้นมันแะนะทบจะทนไม่ไดนะ้ท่านถึงมีในตำราบอกว่า คารวะนะกระทบแล้วอยู่ได้เจ็ดวันตายแต่ไม่ใช่เป็นยาพิษนะไม่ใช่เดี๋ยวนึกว่านิพพานเหมืนยาพิษเจอนิพพานแล้วตายไม่ใช่คือถ้าไม่มีธุระไม่มีปณิธานที่จะทําภารกิจอะไระก็จะนิพพานไปถ้ายังมีภารกิจยังจะช่วยเหลือโลกอะไรอย่างนี้ทก็อยู่ได้ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหมดอายุไปนานแล้ว สิ้นอายุไปนานแล้วท่านเป็นโรคหัวใจที่วัดเตรียมทําเชิงตะกอนเรียบร้อยแล้ววัดอีกวัดหนึ่งทํากรดเอาไม้อันใหญ่ๆนะมาทํากรดจะไว้แฝงบนเชิงตะกอนท่านนี่พ้าเตรียมการกันขนาดนี้เสร็จแล้วท่านเกิดความเมตตาสงสารตัดโลกมันไม่ยอมทําบุญทําทานมาชวนมันทําบุญทําทานมีภารกิจต่อเลยไม่ตายเลยอยู่มาได้เกินกับหนึ่งแล้ว กับหนึ่งของยุคนี้เจ็ดสิบห้าปีนะกับหนึ่งไม่ใช่เวลาเป็นล้านล้านปีนะเมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือบอกว่าพระพุทธเจ้าเล่าให้พระนรนฟังว่าถ้าใครจเจริญอิทธิบาทสี่แล้วอยู่ได้กลับหนึ่งหรือมากกว่าแล้วก็พระนรนไม่ยอมนิมนต์ถ้าพระนรน น, นิมนต์พระพุทธเจ้าจะอยู่กับหนึ่งหรือมากกว่าแล้วก็ฟังแล้วก็งงๆนะอเอแล้วพระศีอานจะไปไหนอ่ะ พระเจ้าองค์นี้ไม่ยอมนิพพานแล้วพระสิยานจะตรัสได้ไงพระสิยานยังไงก็ต้องตรัสในกัปนี้เพราะได้รับพยากรณ์มาแล้วจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้รับพยากรณ ก, ก่อนพระโคดมนี้อีกนะพระสิยานสร้างบา ร, รมีนานมากเลยสิบหกอสงไขยแสนมหากัปพระเจ้าเราสี่อสงไขยแสนมหากัปเริ่มทีหลังนะแต่ถึงก่อนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าของเราเป็นพวกปัญญาที่กะพวกเดินด้วยปัญญาจะเร็วนะ ถ้าสีอานเป็นวิริยาที่กะพวกอื่นเอาทนทนเอาอื่นๆเอาลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆทนเอาใช้ความอมดทนพวกเรานักปฏิบัติก็มีบางคนชอบทนทนเอานะอืดอๆไปเรื่อยๆหวังว่าวันอนึ่งจะแจ้งแจ้งเหมือนกันนะแต่นานหน่อยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็าสิบหกสงไข่ mm. เนี่ยยังไงพระพระสีอานก็ต้องตรัสรู้ในกับนี้นพระพุทธเจ้าไม่นิพพานแล้วจะทายังไงมีสององค์ mm. แท้จริงกับหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรียกว่าอายุกับกับนี่มีหลายชนิดนะไม่ใช่มหากับกับที่เป็นเวลายาวๆเขาเรียกว่ามหากับเช่นสี่อาสงไข่แสนมหากับอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้านิ ม, มนต์ไหมนะก็พวกเราไม่ต้องเสียใจนะตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อเคยเสียใจนะแค้นพระอัมหนด้วยนะ่สารภาพเลยทําไมไม่นิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าไว้เราจะได้เจอท่านไม่เจอหรอกน อยู่อย่างมากไม่เกินสองร้อยปีมีอายุได้ไม่เกินสองร้อยปีสมัยน้นนะสมัยนี้ก็ไม่เกินร้อยห้าสิบปี้ฝึกเอานะพระพุทธเจ้าลำบากมาก่อนเราลำบากมากลองผิดลองถูกเหนื่อยยากแสนสาหัสเลยนะสร้างบารมีจนตัวเองตายหลายครั้งนะสละชีวิตลำบากลำบากเพื่อจะค้นพบทางที่สบาย ถ้านาเอาทางที่สบายนี้มาสอนเราทางที่ง่ายๆพอเหมาะพอควรที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ทางสายนี้เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางคือไม่สุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งตามใจกิเลสวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเรียกกามสุขหลิกานุโยกเรียกว่าความปรุงแต่งไฟอากุศล ข้างหนึ่งเรื่องอตัตตาทีละมัทฐานิโยกการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับกายบังคับใจนะงั้นถ้าใครบังคับมานานแล้วไม่บรรลุรีบรู้เลยนะแสดงว่ญญาทําผิดแน่นอนแล้วผิดไปข้างบังคับตัวเองธรรมาจริงๆฝึกแล้วร่าเริงนะการเจริญสติฝึกแล้วสงบแต่ร่าเริงนะไม่ใช่ฝึกแล้วแห้งแรงแข็งกระด้างเคร่งเครียดอันะนั้นไม่ใช่หรอก สมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนไปหาพระพุทธเจ้าะท่านเดินผ่านไปเห็นพระสงฆ์เยอะแยะในวัดะท่านก็ไปหาเรื่องคุยกับพระพุทธเจ้าบอกน่าอัศจรรย์พระเจ้าค่ะสาวกสงฆ์ของพระองค์นะสงบแต่ร่าเริงเขาไม่ได้ไปชมกับพระพุทธเจ้านะสาวกของพระองค์เครียดจังเลยพระเจ้าค่ะเครียดหน้าเลื่อมใสนะไม่ได้ชมอย่างนั้นนะชมบอกสงบร่าเริง เพราะ ร, ร่าเริงจิตที่เป็นกุศลมีความสุขนะมีความสงบมีความร่าเริงใจนะสังเกตไหมเราฟังธรรมะวันนี้เราร่าเริงใจนะจิตเราเป็นกุศลนะจิตเราก็ร่าเริงใจนะจิตที่เคร่งเครียดหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งอกุศ ล, ลจิตนี้พวกเราลองนึกดูสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาเพราะเราลงมือปฏิบัติรู้สึกไหมบังคับกายบังคับใจส่วนใหญ่คือการบังคับกายบังคับใจแทบทับ้งนั้นแหละ บังคับนะตั้งนานหลายปีเขาบอกไม่บรรลุมันบรรลุไม่ได้เพราะนี่คือทางสุดตรงที่ทําให้ไม่บรรลุนั้นะต้องรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นวิธีรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นก็คือต้องมีสติเนี่หลวงพ่อพูดจะสรุปแล้วนะเดี๋ยวจะได้เลิกนะเรามีสติขึ้นมาเราก็จะรู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงไม่หลงไปสู่ความสุดตรงสองด้านเราจะมีสติได้ถ้าจิตเราจําสภาวะรมได้นะ จำได้ว่าเผลอเป็นยังไพ <Copy. S 1> งพอเผลอปั๊บสติจะเกิดเลยอ้อเผลอไปแล้วสติระลึกได้ว่าเผลอไปแล้วสติไม่ได้แปลว่ากําหนดนะในพระไตรปิฎกไม่ได้แปลสติว่ากําหนดรุ่นหลังๆชอบไปแปลเอาตามใจชอบว่ากําหนดในอัตตธรรมมหาสติปัฏฐานสอนถึงขนาดว่ากําหนดนะมีตันหาอยู่เบื้องหลังตันหาอยู่เบื้องหลังการกําหนดเนะี่เะฉะนั้นสติจริงๆไม่ได้แปลว่ากําหนดสติจริงๆแปลว่าความระลึกได้ มันจะระลึกได้ถ้ามันเคยรู้จักถ้ามันไม่เคยรู้จักมันก็ระลึกไม่ได้นี่เรื่องธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่เรานะหัดรู้สภาวะมากๆ จ, จนจิตมันรู้จักสภาวะมันจําสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองนะการหัดรู้สภาวะมากๆถ้าสภาวะของกายนี้นะเรียกกายานุปัสนาสติปัฏฐานหัดรู้สภาวะของเวทนาเรียกเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานหัดรู้สภาวะของจิตเรียกจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน การรู้สภาวะของรูปนามนะทั้งรูปทั้งนามเลยเนะี่ยแล้วแต่ใจจะไปะระลึกอะไรเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะงั้นสติปัฏฐานก็คือการที่เราตามะระลึกรู้กายรู้ใจของตัวเองบ่อยๆ น, นั่นเองระลึกรู้เนืองเนืองรู้กายเนืองเนืองรู้เวทนาเนืองเนืองรู้จิตเนืองเนืองรู้ธรรมเนืองเนืองรู้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันจําได้ เช่นมันจำได้ว่าเผลอไปเป็นอย่างนี้เพ่งเอาไว้เป็นอย่างนี้โรคโกรธหลงเป็นอย่างนี้พราะมันเผลอมันเพ่งมันโรคโกรธหลงสติจะเกิดอัตโนมัติสติตัวจริงต้องอัตโนมัตินะครูบาอาจารย์ว mm ัด hmm. ป่าท่านชอบเรียกคําว่ามหาสติมหาสติมหาปัญญาอะไรเนี้ยที like, Digital, ical, ่จริงก็คือสตินั่นแหละคือสัมมาสตินั่นแหละสติที่มันอัตโนมัติสติที่ไม่อัตโนมัติยังไม่เรียกว่าสติจริงหรอกเรียกว่าสติเพื่อเอาใจลูกสิตไปเท่านั้นแหละ สติจริงๆเกิดนะกิเลสจะดับทันทีเลยของเราสติเกิดแล้วกิเลสไม่ค่อยดับรู้สึกไหมโกรธอยู่ดูโกรธนะรู้ว่าโกรธนะก็ะยังโกรธอยู่เนี่ยจริงๆยังไม่เกิดหรอกถ้าเกิดนะก็จะขาดสะบั้นวับปับปั บ, บ, บ, บทันทีเลยสติะระลึกได้ใจจะตั้งมั่นปั๊ บ, บปัญญาจะตัดขาดสะบัน้นทันทีปัญญาเกิดจากสมาธินะปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเกิดจากจิตมีความสุข เพราะมีสติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้นี่หลวงพ่อเขียนไว้ให้หมดแล้วนะเขียนไว้ให้หมดแล้วอยู่ในหนังสือเรื่องทังเอกแจกให้อ่านคนละเล่มนะเห็นไหมพูดไปพูดมาก็วนอยู่แค่นี้ทำไมพูดแค่นี้เพราะใบไม้หนึ่งกำมือมีแค่นี้แหละเกินจากนี้ก็เฝือละเบอร์สิบเก้าใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมมันลืมตัวเองไป ขอคำแนะนำในการที่สมมติถ้าเรารู้ว่าสภาวะ เ, เนเจอร์ของเรา เ, เป็นคนที่ลังเลสงสัยหรือมีวิจิติกิจฉาเนี่ยค่ะแล้วจะมีเคล็ดลับหรือวิธีอย่างไรที่จะทำให้การปฏิบัติมีพัฒนาการขึ้นแล้วก็ไม่สะดุดอยู่ตรงนั้นค่ะให้เร็วที่สุดเลยนะเอาแบบตัวแล้วเรียนรัดนะจิตมีวิจิกิจฉารู้ว่ามีวิจิกิจฉาแล้วก็จะเห็นเลย ความสงสัยมันเกิดจากความคิดของเราเองนะพอเรารู้ทันมันนะมันไม่คิดต่อมันก็ไม่มีวิจิกริชฌาอะไรเราจะเห็นว่าวิจิกริชฌาเกิดขึ้นมาได้ก็ดับไปได้ความสงสัยเกิดขึ้นมาพอเรารู้ว่าสงสัยนะมันจะดับหลายคนถ้ามาเรียนหรือฟังซีดีหลวงพ่อจะได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่อยๆสงสัยแล้วรู้ไหม ส, ส, ส่วนใหญ่สงสัยแล้วจะหาคําถามให้มาตั้งคําถามนะเพื่อจะได้แก้สงสัยหรือไม่ก็ไปแอบคิดอย่าเลยหาคําตอบ เพื่อจะแก้สงสัยไม่ค่อยมีใครใจถึงนะสงสัยรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เห็นความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหน้าที่ของความสงสัยเสร็จแล้วคือสอนไตรลักษ์เราจบแล้ว mm. ไม่ต้องไปหาคําตอบคําตอบทั้งหลายเนี่ยส่วนมากจะเป็นความฟุ้งของจิตเท่านั้นเองเราชอบไปหาคําตอบอยากได้ธรรมะนะหาคําตอบจะได้เอาไว้พูดได้เยอะๆไม่มีประโยชน์อะไรแค่เราเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ดีวิเศษที่สุดเลย อย่างนี้ดีกว่า ต, ต้องเข้มแข็งนะในการที่จะดูความสงสัยเพราะว่าไม้ตายของกิเลสมีอยู่สองกระบวนท่านะสองกระบวนท่าเนี้หลอกพวกปัญญาชนได้สนิทที่สุดเลยเบื่อกับสงสัยพอเบื่อแล้วก็ขี้เกียจ ด, ดูนะไม่ดูแล้วเลิกพอสงสัยนะั้นหนีไปคิดเลยไม่ยอมรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เพราะงั้นไม้ตายมันมีสองตัวเนี้ยแล้วเรามักจะท่ายแพ้กิเลสนี่บอกไม้ตายมาแล้วนะ ก่อนที่หลวงพ่อจะชิดไม้ตายของมันออกตีความไม้ตายมันออกนะั้นมันทุบหลวงพ่อน่วมมาเยอะแล้วะ <Okay. S 1> แต่หลวงพ่อเป็นคนอึดนะเอะเบื่อเหรอเบื่อกูก็จะดูไม่เลิก <c oughs> คล้ายๆที่หลวงพ่อชาสอนขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติเออสิดูซิมันจะแน่สักแค่ไหนเบื่อเหรอเบื่อเหรอขี้เกียจเหรอรู้ว่ากําลังเบื่ออยู่ดูซิมันจะแน่สักแค่ไหนสงสัยหรือ แต่ก่อนพอสงสัยนะจะรีบไปถามครูบาอาจารย์ไม่ก็รีบไปเปิดพระไตรปิฎกนะตอนที่หลวงพ่อเรียนธรรมะเนี่ยพระไตรปิฎกยังไม่เซิร์ชไม่ได้ไม่มีในคอมพิวเตอร์ต้องไปเปิดเอ่ะโหตั้งสี่สิบห้าเล่มเปิดมันน่าจะอยู่ที่ไหนวะนะอันแรกสุดต้องไปเปิดพระไตรปิฎกของอาจารย์สูชีบก่อนดูตัวย่ออนย่อย่อไล่ไล่บาทีหาทั้งเกือบเล่มอ้าเจอแ ล, แล้วก็ไปดูเล่มใหญ่ลาบากเนี่ย คนกว่าโอ้ยกว่าจะหายสงสัยพอดูตัวนี้ได้คําตอบมาแนละ้วมานั่งพิจารณาธรรมะสงสัยเรื่องอื่นอีกละไปเปิดอีกสงสัยชาตินี้จะทําได้แค่นี้ตอนหลังไม่เอาละสงสัยรู้ว่าสงสัยมันทําให้เราเสียเวลากิเลสทุกตัวนะทําให้เราเลิกดูจิตดูใจตัวเองตรงนี้จําไว้นะอกิเลสทุกๆตัวทําให้เราเลิกดูจิตดูใจตัวเองเช่นพอเราสงสัยเราก็ไปคิดหาคําตอบ เราไม่รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่พอเบื่อเราก็ไปนอนซะหรือไปเที่ยวซะไม่รู้ว่ากําลังเบื่ออยู่พอรักนะเรารักใครเราก็คิดถึงคนนั้นใช่ไหมเราลืมรู้ว่ากําลังรักอยู่เราโกรธใครเราก็คิดถึงคนที่เราโกรธยิ่งโกรธมากยิ่งคิดถึงมากรู้สึกไหมทั้งๆที่ไม่ควรคิดถึงนะใจมันจะไปคิดถึงเนี่ยเห็นไหมกิเลสความโกรธมันลากให้เราไปคิดถึงคนที่เราโกรธเราลืมรู้ว่ากําลังโกรธอยู่กิเลสทุกตัวนะทําให้เราลืมรู้เท่าทันใจของตนเอง นี่อหลรไม้ตายของมันลูกเล่นของมันนะกิเลสกี่สิบตัวนะมันก็หลอกเราด้วยวิธีซ้ำซากอย่างนี้แหละแล้วเราก็ถูกหลอกซ้ำซากนะกว่าจะเข้าใจมันได้โอ้ถูกมันต้อนเลยหนักหนาสาหัสขนาดพระพุทธเจ้า ว, วางแนวไว้ให้แล้วนะว่ากิเลสเราเนี่ยฟิดมันเยอะท่านบอกให้รู้ทุกเราก็อยากละทุกเนะี่ยท่านให้ลาสมูทไทยเรามีสมูทไทยที่จะหาธรรมะให้ได้เลยดิ้นใหญ่ เหนื่อยออนูขอเรียนถามในทางปฏิบัติอีกสักหนึ่งข้อได้ไหมคะ เ, เวลาที่เราปฏิบัติไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่อยากจะมุ่งมาทางนี้อย่างเดียวโดวยที่อาจจะละเลยในเรื่องการที่จะทุ่มเทนในเรื่องการทางานตามปกติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของผู้ปฏิบัติหรือเปล่าคะแล้วเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดาของผู้ปฏิบัติค่ะแล้วให้รู้ทันมัน ให้รู้ทันแล้วเราจะทํายังไงให้เกิดสมดุลในการดํารงชีวิตนี่ไงให้รู้ทันนะหลงพ่อตอบให้ลล้วพอเรารู้ทันมันว่าตอนเนี้ยแหมภาวนามันหน่อยแล้วโอ้ยอยากบวชมากเลยอยากไปอยู่วัดแล้วให้รู้ทันความอยากนี้นะความอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสอนธรรมะเราละคราวนี้เหลือด้วยเหตุผลแล้วสมควรไปยังหรือ ย, ยังมีภาระทางโลกอยู่ไม่เป็นเรื่องเหตุผลแล้วนะไม่ใช่เรื่องอยากละ นะเพราะความอยากโดนเรารู้ทันจนขาดสะบั้นไปแล้วเหรือเหตุผลหนะลวงพ่อตอนหัดภาวนาใหม่ๆนะหัดอยูไม่ถึงปีหลวงพ่อก็ภาวนาสบายอกสบายใจนะก็อยากบวชเหมือนกันอยากบวชถ้าอยากบวชมาบวชเลยดีไหมนี่ไม่ดีแล้วพ่อแม่เราใครจะเลี้ยงอะ่นะเราลูกคนเดียวนะพ่อแม่เราใครจะเลี้ยง เรานี้ไปบวชเอาตัวรอดแล้วทิ้งคนแก่เราทำผิดหน้าที่ชาวพุทธต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะเมื่อยังไม่มีโอกาสบวชยังไม่มีโอกาสไปอยู่วัดอยู่เป็นฆราวาสต้องปฏิบัติให้ได้ต้องเจริญสติให้ได้ในชีวิตธรรมดาแล้วหลวงพ่อจะบอกความลับแห่งหนึ่งฆราวาสในเบื้องต้นเนี่ยปฏิบัติไม่ช้ากว่าพระหรอก ถ้าปฏิบัติเป็นนะเพราะอะไรเพราะคารวาสเนี่ยมีผัสสะที่รุนแรงตลอดเวลามีสิ่งที่กระทบกระทั่งรุนแรงตลอดเวลาเลยถ้าเจริญสติเป็นคือเราได้ทำการบ้านทั้งวันเลยเป็นนักเรียนที่เรียนเรียนเร็วเรียนเก่งแต่อย่างเป็นพระ mm. วัน ว, น ว, นวนเราไม่เจอใครเลยนะบินธบเสร็จแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วอยู่ในป่าเงียบๆนานๆมีงูเลื้อยมาให้ตื่นเต้นสหน่อยหนึ่ง ใ, ใจไหวนิดนึ่ รุ่นนี้ก็ไม่ค่อยมีงูแล้วไปตามวัดมารายงานหลวงพ่อนะวันนั้นเจอตะขาบมันตื่นเต้นหครูบาอาจารย์ได้ยินท่านคงรีบนิพพานหมดเลยนะครูบาอาจารย์เราเจอเสือเจอช้างนะรุ่นนี้เจอตะเข็บตะขาบอะไรก็มารายงานด้วยเพราะฉะนั้นเป็นครวาตก็ทําได้นะแล้วไม่ช้ากว่าพระหรอกถ้าทําเป็นแต่ถ้าทําไม่เป็นนะช้าโอกาสไปอบายก็เยอะแต่พระไปอบายก็เยอะนะ ไม่ใช่อบายนี่เอาไว้ผูกขาดให้กระวาดหรอกงั้นมีหน้าที่อะไรทําหน้าที่ของเราทําหน้าที่ไปเจริญสติไปก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะอย่าไปคิดนะว่ามันเป็นทองเหลืองนะอ <c oughs> แตานั่นหลวงพ่อเลยไม่คุยด้วยแล้วแหมมันมันเกินไปนะ <c oughs> ต้องไปพูดเรื่องเบสิกอย่างนี้นะไม่ไหวแล้ว อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะอ่าสุดท้ายแล้วเหรอในในทางปฏิบัติที่ที่หนูประสบอยู่ทุกวันนะคะก็คือมีปิติที่เกิดขึ้นรุนแรงแล้วก็ให้รู้ปัญหาปิติไม่ใช่จิตหรอกในเกณฑ์ไหมปิติเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเรามองออกว่าปิติเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านั้นมันจะขาดไปเลยค่ะใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเอาเป็นทํามไส้ปิติเรื่องหลอกเด็กมันแค่น้ําตาลที่เคลือบยาเท่านั้นแหละ บางคนมีปิตินะเลยโอ้หวานดีเลยกินน้ำตาลแทนยา <c oughs> ลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ค่อยมีปิติเท่าไหร่ <c oughs> พ่อมาเมาปิติเคลื่อๆใกล้ๆหลวงพ่อเนี้ยจะโดนช็อกเลยเ <c oughs> นะนี่ยปิติดับมีอยู่นะบางคนมาถึงก็บอกโอ้มีความสุขค่ะน้ำตาร่วงแม่แม่ครั้งที่หนึ่งก็ไม่ว่านะครั้งที่สองปิติอีกแล้วคะ่ะน้ำตาร่วงโอ้บอกสุขเหลือเกินคะ่ะ เพรามันจะสุขอะไรนักหนามันไม่ฉลาดแต่สิมันถึงเห็นว่าสุขถ้าเห็นถูกไม่มีสุขนะมีแต่ทุกข์นะแต่ในขณะที่เราเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยความสุขมันจะเกิดขึ้นมันมีสุขอีกช น, นิดหนึ่งไม่ใช่ความสุขของขันดูไปปีติเกิดขึ้นให้สักว่ารู้สักว่าเห็นถ้าจิตใจชอบมันก็รู้จิตใจไม่ชอบมันก็รู้นะฝึกอย่างนี้นะ แต่เห็นเลยปิตีไม่ใช่จิตปิตีเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตจะเป็นกลางอย่างเนี้ยปิติจะดับอย่างรวดเร็วเลยเกิดปัสสัตธิความสงบระงับเสร็จแล้วก็จะเกิดสมาธิจิตใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันอะไรเกิดขึ้นมาจิตจะสักว่ารู้สักว่าเห็นเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยคือตัวโพชทชงแหละแต่ถ้าปิตีเพราะสมถะไม่เป็นโพุทชงนะ ถ้าปีติเพราะการทำมาวิจัยทำมาวิจัยก็คือการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตัวเองท่านเรียกว่าวิจัยธรรมะเรียกทำมาวิจัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็คือรูปธรรมนามธรรมการวิจัยมันคือการเข้าไปสังเกตการสังเกตการทั้งหมดของรูปของนาม ไ, ม, ไม่ใช่สังเกตการอย่างมีการสุ่มตัวอย่างนี่เท่มากนะาศาสนาพุทธเรียนแบบสุ่มตัวอย่าง ธรรมกายในกายคือเรียนกายบางอย่างถ้ารู้แล้วจะเข้าใจกายทั้งหมดเวทนาในเวทนาเรียนเวทนาบางอย่างถ้ารู้แล้วจะเข้าใจเวทนาทั้งหมดะเช่น says, เราดูความสุขเราเห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความสุขเกิดขึ้นมาแล้วหายไปดูแค่นี้ยังพอเลยะจะรู้เลยเวทนาทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับดูจิตดูคู่เดียวพอเช่นจิตมีราค ะ, ะเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตไม่มีราค ะ, ะดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยง จิตเรียกจิตในจิตเรียนจิตคู่เดียวถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจจิตทั้งหมดะเช่นจิตเผลอไปกับจิตรู้สึกตัวนี่หลวงพ่อชอบให้ดูคู่นี้คู่ที่สามเพราะอะไรผู้ที่หนึ่งที่สองจิตมีราคาโทสามเป็นลูกของจิตที่มีโมหะนั้นจิตเผลอไปเรารู้สึกเผลอไปรู้สึกนะในสุดปัญญาจะแจ้งจิตทุกชนิดหน่อยเกิดระดับจิตที่เผลอไปนะเป็นตัวแทนของจิตอกุศลจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศล ทั้งหมดเกิดแลดับบังคับไม่ได้ในสุดเข้าใจทั้งหมดนี่เรียกว่าจิตในจิตเรียนจิตบางอย่างแล้วเข้าใจจิตทั้งหมดนี่มันงานวิจัยแท้ๆเลยนะท่านเลยเรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยวิจัยด้วยอะไรวิจัยด้วยสติเพราะมีสติคอยรู้ไการู้ใจนี่ก็ธรรมวิจัยะก็จะได้เห็นความจริงของมันธรรมวิจัยในบางทีก็มีชื่อหนึ่งคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองหรือตัวปัญญานั่นเองนะ เสรแล้วมันก็จะเกิดความภาคเพียนขยันดูอยขยันดูวิริยะมันเกิดนะวิริยานี่ก็คือตัวสัมมาวายามะตัวแรกสติก็คือตัวสัมมาสตินะธรรมาวิจยะทําสัมมาทิชชีนะวิริยะก็สัมมาวายามะเสร็จแล้วเกิดปีตินะเกิดปาสัตทิเกิดสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิ จิตมีอุเบกขาเนี่เป็นสัมมาสมาธิแต่เป็นสัมมาสมาธิอุเบกขาเพราะปัญญาอุเบกขาเพราะปัญญามีชื่ออันหนึ่งเรียกตัรมาช ต, ตาตาชื่ อ, อยากอย่าไปจำมันก็ได้อุเบกขาเพราะเพ่งเอาไว้นี่ก็มีเช่นเราเพ่งไปได้เราดูท้องพองยุบเราเพ่งลูกเดียวนะหรือเราพุทโธเราเพ่งไว้ลูกเดียวคนด่าเราก็เฉยนะไม่ยินดียินร้ายคนชมเราก็เฉยไม่ยินดียินร้ายอันนี้เฉยเพราะสมถะ โกรธขึ้นมากลนนอกลน้อหายไปละใจเป็นกลางแล้วนี่เป็นกลางเพราะสมถะถ้ากลางเพราะปัญญามันก็คือได้เห็นความจริงละเช่นความสุขเกิดขึ้นเราค่อยรู้เรื่อยๆอ๋อความสุขก็ชั่วคราวนีความทุกข์ก็ชั่วคราวพอเห็นสุขกับทุกข์ก็ล้วนแต่ชั่วคราวจิตจะเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็งั้นๆแหละเดี๋ยวมันก็ดับนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกข์ก็งั้นงแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใจเป็นกลางนี่เป็นกลางเพราะปัญญา ตัวกลางเพราะปัญญาเนี่ยตัวสําคัญตัวที่มีปัญญาจนทั้งจิตเป็นกลางต่อสิ่งที่เป็นคู่คู่ต่อความปรุงแต่งปัญญาตัวนี้ท่านเรียกว่าสังขารู้เบกขาญาณจิตที่เป็นกลางตัวเนี้เรียกว่ามีอุเบกขาสัมโพูตรชงธรรมะมันเรียงร้อยกันหมดนะที่ท่านอธิบายาใจเป็นกลางแล้วท่านนี้จะรู้ทุกสิ่งตามที่มันเป็นและวไม่เข้าไปแทรกแซง รู้อย่างซื่อๆรู้อย่างตรงๆรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้มากเข้ามากเข้าปัญญามันเกิดถึงบอกสัมมาสมธิทําให้ปัญญามันเกิดใจมันตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เนี้ยปัญญามันเกิดรู้ความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสมบัติของโลกยืมมาชั่วคราวเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นธาตุเหมือนกันเรียกว่ามโนธาตุหรือวิญญาณธาตุมีชื่อเยอะแยะดูไปนะฝึกไป มาเรียนกับหลวงพ่อหลายคนอาจจะกลุ่มใจว่าไม่ได้คุยกับหลวงพ่อนะไม่จําเป็นนะหลวงพ่อเรียกร้องอย่างเดียวทนท น, ทนฟังไว้ให้ทนฟังนะครั้งหนึ่งไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรสองครั้งสามครั้งมาไม่ได้เอาซีดีไปฟังฟังแล้วคอยสังเกตที่ใจของเราไว้ฟังแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยฟังแล้วรู้เรื่องดีใจขึ้นมารู้ว่าดีใจนะสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ภาวนาเป็นไม่ได้ยากอะไรคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อตื่นขึ้นมาเป็นร้อยรอยแล้วนะ เยอะแยะนี่มีแทบทุกแถวเลยนะพวกที่มาแล้วมาอีกเนี่ยอึดอไว้เถอะไม่เก็บค่าเรียนนะเพราะงั้นทนไว้หน่อยทนเรียนหน่อยหลวงพ่อไม่ได้นิยมชมชอบที่จะสอนเลยรูกไหมหลวงพ่อมีปกติของหลวงพ่อไม่พูดปกติของหลวงพ่ออยู่เฉยเฉยไม่ชอบพูดทุกวันนี้ครูบาจายัยก็ใช้ก็ต้องพูดนะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดปากเป็นหนังตะลุงนะแงบแงบแงบสงปรินนะ ฝืนธรรมชาติฟืนปกติของตัวเองไม่ได้อยากคุยกับพวกเราหรอกแต่ว่าไหนไหนก็คุยแล้วนะอดทนฟังหน่อยนะไม่เก็บค่าฟังหนังสือก็แจกให้ฟรีนะแจกให้คนละเล่มถ้าหลายเล่มนะก็ไม่ไหวมีจะแจกซีดีก็แจกให้นะเอาไปฟังเอาไปอ่านฟังแล้วก็สังเกตตัวเองสังเกตใจไปเรื่อย ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกไม่ได้ยากเกินไปนะคนที่ทำได้มีเป็นร้อยร้อยแล้วนะอาจารย์ทุพธเสือไปลนะอย่าปลื้มมาก <c oughs> จิตมีปีติเยอะรู้ไปนะรู้ไปพี่ต้อยเป็นไงเขาปิดทองพระเสร็จแล้วนะแต่ก่อนพระพุทธรูปเป็นดำดำนะทีมคุณต้อยสุกัญญาเนี่ยมาปิดทอง ไม่เป็นพระสีทองตอนนี้ดูไปดูมาสวยกว่าพระชินราชแล้วใครไปเห็นพระชินราชองค์ใหม่ยังแดงๆหน้าตาท่านเศร้ามากเลยปิดซะท่านเศร้าไปเลยนะหน้าตาหมองไม่หมดองค์นี้สวยกว่าตรงที่สีสวยกว่าไม่ใช่หล่อสวยกว่านะสังเกตให้ดีนะพระองค์นี้ไม่เหมือนพระทั่วไปสังเกตให้ดี ถ้าจิตใจของเราสงบนะเราจะดูว่าท่านสงบถ้าจิตใจของเราเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนะท่านจะยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสอเบอร์สามบ้างไงกาหลวงพ่อนะคะคือว่าเมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะลูกได้ได้รับทุกอย่างใหญ่หลวงคือลูกไม่สบายแล้วก็ได้หลักธรรมะของหลวงพ่อค่ะมาในการพิจารณาดูจิต เพราะว่าตอนนี้ลูกก็ยังไม่ก็ยังอยู่โรงพยาบาลเป็นเจ้าชายนิทาอยู่ช่วงอาทิตย์แรกอะคะ่ะจะคิดถึงเขาว่าเขาพูดได้เขาเดินได้แล้วน้ําตาก็จะไหลหนูก็จะพยายามดูจิตว่าตอนนี้เรากําลังร้องไห้นะเออดีค่ะคือหนูได้ได้ธรรมะจากจากหลวงพ่อนะคะในการที่จะดับทุกตรงนี้ดีนะไม่ใช่ธรรมะของหลวงพ่อหรอกพระเจ้าท่านสอนไว้ที่หลวงพ่อพูดเนี้หลวงพ่ออ้างคำผีไดงนั่นเลยค่ะ ก็คือจะพยายามดูว่าอ๋อตอนนี้นะน้ำตาเรากําลังจะไหลนะแล้วกำลังจะร้องไห้นะคะแล้วแล้วความรู้สึกมันก็จะดับลงอืมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็เป็นอีกเออเพราะมันคิดใหม่ค่ะค่ะมันก็จะทำอย่างนี้เป็นวันแตาเรามองเห็นใจเราคิดมันเป็นอีกวันแรกนี่จะบ่อยมากเลยแล้วก็พอหลายๆวันเข้ามันก็จะห่างห่างห่างห่างออกไปเนี่ยค่ะหนูถึงด้ว่าทราบซึ้งในคําสอนนี้มากนะคะอืมทีนี้หนูก็อยากจะรบกวน ถามอีกตัวทำถามนะคะอย่างคือการดูจิตหนูก็ยังไม่แน่ใจว่าหนูดูมาถูกไหมอย่างเช่นเมื่อกี้หนูเข้ามาช้าใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจกับใจตัวเองเลยแล้วเราก็เดินอยี้อย่างนี้ไม่ต้องเล่ายาวที่ดูอยู่ถูกแล้วเพื่อที่จะมาเทปมาที่นั่งแต่เราก็ไม่ได้ดูใจอะไรอย่างนี้เรียกว่าเผลอรู้สึกไหมสงสัยเนาะค่ะมันอยากพูดรู้สึกไหมค่ะที่ดูอยู่ถูกต้องแล้วก็คือมันหมายถึงว่าช่วงที่เราเดินมันเนี่ยเรียกว่าเผลอไหมคะ อะไรว่านะไม่หลวงพ่อไม่ได้ดูตอนที่เดินมาแต่ตอนนี้กำลังเผลออยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เผลอเพราะว่าอยากดูเพราะว่ากาลังคิดอยู่ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเนี่ยเกิดสงสัยแล้วทราบไหมทราบค่ะ่ความสงสัยเกิดขึ้นรู้ทันก็คือรู้ละที่ทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วดูต่อไปมีคนหนึ่งนะเขาผู้ชายคนหนึ่งมันอัจฉริยะในรอบหลายปีมีหลายบ้าน มีเมียหลายคนนะแล้วก็พาเมียมาเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อครั้งละคนนะไม่ได้พาสองคนนะเมียทุกคนหัดภาวนาเลยไม่ตีกันโอ้ฉลาดกว่าคุณแผนนะไม่ต้องเป่าบนลนะเสร็จแล้ววันหนึ่งลูกของเมียคนหนึ่งไม่สบายเข้าขั้นแบบโคมานะ่าละทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไปยืนเกาะเตียงร้องไห้ ร้องร้องไปสักพักหนึ่งนะแม่หันไปดูลูกที่นอนบนเตียงเนี่ยสติปัญญามันเกิดขึ้นมาพอดูปั๊บเนี่ยมันเห็นความจริงของเด็กที่นอนอยู่นี่นี่มันวัตถุนี่นี่มันก้อนธาตุเนี่ยเห็นย้อนมาดูตัวเองไอ้ตัวที่ยืนเกาะเตียงอยู่นี่มันก็ก้อนธาตุเนี่ยไอ้ผัวของเราตัวโน้นมันยืนอีกฝั่งหนึ่งมันก็ก้อนธาตุเนี่ยพอจิตมันเห็นว่าไม่มีคนปั๊บนะความเศร้าโศกเนี่ยขาดตรงนั้นเลย ควาทุกข์นัาขาดสุขสบานลงตรงนั้นเลยนี่ธรรมะนะถ้าเราฝึกฝนไปแล้วถึงเวลาจําเป็นนี้ธรรมะช่วยเรานี่สติปัญญานั่นเองเข้ามาช่วยเราไม่ใช่ธรรมะวิเศษอะไรมาช่วยนะสติปัญญาหรือบุญกุศลเนี่มาช่วยเรานี่เราเคยฝึกฝนที่จะเจริญสติรู้ ก, กายรู้ใจของตัวเองชํชนานิชํานาลลูกไม่สบายร้องไห้เหมือนจะบ้าจะคลั่งอยู่อยู่ฉับพลันสติเกิดหันไปหลัลึกเห็น สติมันเห็นอะไรสติมันเห็นไอ้ตัวสีที่เป็นรูปเด็กที่นอนอยู่ปัญญามันวิจัยลงไปเลยนี่มันวัตถุนี่มันก้อนธาตุเท่านั้นเองคําว่าลูกนี่หายไปดูตัวเองกลายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนี่ปัญญามันเกิดปัญญาเกิดนี่ทุกขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยนี่ธรรมะอัศจรรย์ที่สุดนะทักเพียนดูไปเรื่อยๆ เบอร์เก้าลงไปแล้ว 9. เบอร์เก้าอาใครจะถามอะไรได้อีกสักคำถามสองคำถามต้อมเป็นไงต้อมจิตเป็นไงช่วงนี้อะไรนะเอเอจิตมีโมหานิดนึงดว อ, อกก็ดีแล้วต้อมแล้วยังบังคับตัวเองนิดหนึ่งด้วยดูว อ, อกไหมจงใจปฏิบัติเยงเหลืออยู่นะเออนะจงใจเข้าไปดูผิดแล้วละ่ะ แต่ก็ดีกว่าจงใจไปดูอันอื่นอาใครมีอะไรคุณกวีพรมีอะไรไหมเวทนาเกิดนะครับผมพ่อจะพิจารณาอย่างไรครับเวทนาเกิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพราะเราเป็นสัตว์ที่มีขันห้ามันก็ต้องมีขันห้ามีเวทนาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าให้ดูลงไปนะเวทนานี้หมายถึงทุกหรือเปล่าทุกทางกายหรือทางใจทางกายเหรอทางกายดูง่ายนะดูลงไปเลย กายก็อันหนึ่งนะเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะแยกได้ไหมตรงนี้คุณกวิพรผ ม, ผมก็แยกอย่างนั้นเลครับหลวงพอ่อแต่มันก็เกิดตลอดเวลาเอ้ามันมีกายมันก็ต้องมีเวทนานะเพราะเราเป็นสัตว์ที่มีขันธ์ห้าเวทนามีตลอดแล้วเพียงแต่เราอยากให้มันมีสุขเวทนาน ะ, ะพอมันมีทุกขเวทนากุศลให้ผลมาตอนนี้ได้รับทุกขเวทนานะยัางไงก็ต้องรับ ขนาดพระพุทธเจ้าบารมีท่านเยอะนะบางครั้งท่านยังรับเวทนาทางกายเลยเช่นครั้งหนึ่งหิวน้ำบอกให้พระนรนไปตักน้ำให้พระนนไม่ยอมไปนะบอกน้ำมันขุ่นอย่าไปตักเลยเดี๋ยวให้ท่านทนเดินไปอีกหน่อยเพื่อไปตักอีกแม่น้ำหนึ่งเนี่ยท่านบอกครั้งที่สามถึงยอมไปตักเนี่ยท่านก็กระหายน้ำหรือท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยท่านยังเป็นเลยณภาษาอะไรกับพวกเราเนาะทนวตเอา เรียนเรียนรู้มันไปจะได้เข็ดขยาดสังสารวัตรไม่หายนะกุศลให้ผลมาก็ได้รับทุกุศลให้ผลมาก็ได้รับความสุขเลือกไม่ได้นะยุติธรรมแล้วยุติธรรมแต่ถ้าเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมได้รับแต่ทุกขเวทนามากเนี่ยเรากำลังทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีแล้วกำลังเจริญโทสะอยู่ แต่ถ้าออสมควรแล้วเนี่ยต้องมีเหตุที่สมควรหน่เลยถึงได้รับเวทนาชนิดนี้ใช้หนี้ไปหมอภัยเป็นยังไงหมอภัยทำอะไรอยู่ือยังคิดอะไรคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เลิอกอีกอือ hmm? ไม่เบื่อเหรอสังเกตไหมก็คิดเรื่องซ้ำซๆซักซา ก, ซากรู้สึกไหมเออเวลาคิดน่นก็คิดเรื่องซ้ำซากคนเราอะ่ะคิดวนไปวนมา กิเลสก็กิเลสซ้ำซากรู้สึกไหมกิเลสก็กิเลสซ้ำซากนะความสุขที่เกิดขึ้นก็ความสุขซ้ำซากนะความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ซ้ำซากอยู่เนี้ยหลวงปู่เทศท่านเลยสอนแบบธรรมะของเก่าะมีแต่ของเก่าซ้ำซ้ซากซากนะแต่ก็หลงอะ่ะเขาเรียกหลงของเก่าบางองค์ท่านเลยยับต่อ บ, บอกพวกกินของเก่าฟังแล้วน่าเกลียดนิดนึง <c oughs> อโยมเชิญกลับบ้านนะหลวงพ่อจะได้เลิกพูดสักทีแต่เชิญอยากฟังเสียงหลวงพ่อต่อก็เอาซีดีไปฟังเอาเองนะฟังแล้วก็ดูใจของเราไปรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็อดทนไว้ธรรมะยากค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะวันหนึ่งก็ทำได้